พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นวินัยสังฆะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเทระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาขโมแปลเรื่องที่สามสิบสามกัมมากรรมะวินิจฉัยคถาคถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องสังคกรรมน้อยใหญ่เรื่องกรรมนะ กรรมในทวีไนนี้มีหลายชนิดหลายอย่างเลยในมาติกานี้ว่ากรรมน้อยใหญ่มีเนื้อความดังต่อไปนี้กรรมมีสี่อย่างคืออะปโลกนกรรมอะปะโลกนกรรมห ม, มายถึงการสวดประกาศแจ้งให้ทราบยติกรรมยติกรรมก็เปการสวดประกาศเหมือนกันแต่ว่าสวดประกาศครั้งหนึ่งแล้วก็สรุปยติ ดูติยกรรมหมายถึงสวดประกาศแล้วก็มีอนุสาวนาอีกครั้งหนึ่งเป็นสองแล้วก็ยติจตุตติกรรมมีการสวดประกาศยติครั้งหนึ่งแล้วก็อนุสาวนาสวดปรึกษาอีกสามครั้งเป็นสี่ะฉะนั้นมีสังฆกรรมนี้มีสีนี้เรียกว่าสังฆกรรมกรรมตรงนี้หมายถึงสังฆกรรมปารโลกนกรรมอย่างหนึง่งยติกรรมอย่างหนึง่งยติทุริยกรรมอย่างหนึง่งแล้วก็ยติจตุติกรรมอย่างหนึง่ง แต่ในกรรมเหล่านี้มันก็ยังแยกออกเป็นอย่างละสี่อย่างละสี่ก็คือกคำพร้อมเพียงโดยธรรมคำเป็นวักโดยธรรมคำพร้อมเพียงไม่เป็นธรรมคำเป็นวักไม่เป็นธรรมเป็นสี่อีกก็กลายเป็นต้งเยอะเลยสิบหกอย่างคำสี่อย่างเหล่านี้ย่อมวิบัติด้วยอาการเท่าไหร่ย่อมวิบัติด้วยอาการห้าวิบัติก็หมายถึงว่าใช้ไม่ได้วิบัติด้วยอาการห้าก็คือย่อมวิบัติโดยวัตถุ วัตถุหมายถึงเรื่องของการทํากรรมวัตถุนั้นไม่ตรงก็ใช้ไม่ได้เช่นบวชพระภิกษุบวชกุณฑบดที่มีอายุไม่ถึงยี่สิบปีอันนี้แสดงว่าวัตถุวิบัติใช้ไม่ได้หรือว่าไปให้ปริวาศรีภิกษุที่ขออภาร น, นีก็ใช้ไม่ได้ไปอภารกับภิกษุผู้อยู่มานัท ก, ก็ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าวัตถุวิบัติหรือว่าลงอุโบสถในวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถก็ใช้ไม่ได้กนเรียกว่าวัตถุวิบัติ แล้วก็วิบัติโดยยัตติยัตติก็ไม่เอ่ยชื่อสงฆ์ไม่เอ่ยชื่อบุคคลไม่สวดประกาศว่านี้เป็นยัตตินี่ก็ยัตติวิบัติอนุสาวนาก็ไม่เอ่ยชื่อสงฆ์ไม่เอ่ยชื่อบุคคลแล้วก็สวดผิดสวดผิดก็คือไม่ถูกอักขรฐ า, านกรนั่นเองสวดถอดทหารเป็นถอถุงเป็นอะไรพวกเนี้ยนะผ่อพานหรืผอผ่อเพิ่งอะไรพวกนี้ก็ผิดแล้วก็โดยสีมาสีมาวิบัติ สีมาวิบัติก็สิบเอดอย่างใหญ่เกินไปเล็กเกินไปสีมาขาดเกี่ยว ส, สีมาทับสีมามีเงาเป็นมิมิตอะไรพวกนี้กใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็โดยบริษัทวิบัติโดยบริษัทก็คือถ้าลงโบรตรพระภิกษุสามรูปดังมันส่วนปาติโมกอันนี้แปลว่าวิบัติใช้ไม่ได้หรอว่าจะบวชพระภิกษุในมัชชิมชนบทต้องสิบรูปเก้ารูปมาบวชไม่ได้ในสัตว์วิบัติในปัจจันชนบท ห้ารูปพร้อมพระวิเนทอดก็มีสี่รูปบวชพระพิสุทใช้ไม่ได้อภารนี้ต้องใช้พิสุทเท่าไหร่ยี่สิบขึ้นไปอันนีน้อยกว่ายี่สิบใช้ไม่ได้บริษัทวิบัตใช้ไม่ได้ถามว่ากรรมย่อมวิบัติโดยวัตถุอย่างไรตอบว่ากรรมย่อมวิบัติโดยวัตถุอย่างนี้คือกรรมที่ควรทำพร้อมหน้าแต่รงไปทํารับหลัง ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมวิบัตรริโดยวัตถุอย่ที่สองก็กรรมที่ควรสอบถามก่อนทําแต่สงฆ์ก็ไม่สอบถามก่อนทํานี่ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมวิบัตรริโดยวัตถุอย่างที่สามกรรมที่ควรทําตามปัิญญาแต่สงฆ์ไม่ทําตามปฏิญญาอันนี้ก็วิบัติโดยวัตถุข้อที่สี่สงฆ์ให้อามูลและกะวินัยแก่ทิสุผู้ควรแก่สติวินัยคือคนที่ ต้องอาบัติในขณะที่เป็นบ้าแล้วก็หายเป็นบ้าแล้วมาขออมูลนาวินยัยแต่ไปให้สติวินัยแทนสติวินัยนี้ให้กับพระอาหารหันต์ที่ถูกโจทย์ว่าเป็นอาบัติอันนี้ก็เป็นวัตถุวิบัติตอนที่ห้าก็สงฆ์ธรรมตัดสตาปิยติกากรรมแก่พิสุผู้ควรแก่อมาลภาวินยัยอันนี้ก็วิบัติโดยวัตถุตอนที่หกสงฆ์ธรรมตัชนียกรรมติเตียน แกพิสูจนผู้ควรแก่ตัดปาปิยติกากรรมอันนี้ก็หมายถึงลงโทษแกผู้ที่มีบาปนาะไม่ละอายทั้งหลายอันนี้ใช้สำนักกรรมลงโทษข้อที่เจ็ดก็สงฆ์ธรรมนิยสิกรรมนิยสิกรรมก็ลดยศปลดตําแหน่งแกพิสูจน์ผู้ควรแก่ตัดชนียกรรมข้อที่แปดก็สงฆ์ธรรมปรับพาชนีกรรมก็คือขับไล่ออกจากวัดแกพิสูจนผู้ควรนิยสิกรรม ขอที่เก้าสงพึงทำปฏิสารณียกรรมก็คือให้ไปขอโทษขึ้นหัดไปกล่าวไม่ดีกับขึ้นหัดทําผิดแก่ขึ้นหัดต้องไปขอโทษสงทนปฏิสารเียกรรมแก่ที่สูบผู้ควรแก่ตับพาชนีกรรมควรจะต้องขับไล่แต่ว่าให้ไปขอโทษอย่างเงี้ยนะใช่ไม่ได้ข้ทอรรที่สิบสงทําอุเคปนิยกรรมแก่ที่สูบผู้ควรปฏิสารณียกรรมอุเคปนิยกรรมก็คือยกวัดไม่ให้เข้าร่วมสมาคมกับสงเลย ไม่ให้กินร่วมอยู่ร่วมแล้วก็นอนร่วมด้วยใครไปอยู่ร่วมกินร่วมนี้ต้องอปฏิบั ต, ติจิตีถ้าลงโอเคลงโอเคนี้เรียกว่ายกวัดถ้าลงกรรมอย่างอื่นนี้ยังไม่ถึงว่ายกวัดก็ไปให้ปลเคปัญญกรรมแก่พิจุผู้ควรแก่ปฏิสารธมียมกรรมตอนที่สิบเอ็ดสงให้ปริงวา่าแก่พิจุผู้ควรแก่การลงโอเคปริญญกรรมอย่างนี้ได้มาวัตถุอิบาดบนเลยนะตอนที่สิบสองสงชักพิกจุ ผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัตเดิมสิบสามส่งให้มานัดแกติสุผู้ควรชักเข้าหาอาบัตเดิมรู้จักการชักเข้าหาอาบัตเดิมไหมมูลายาปฏิจจสนาขณะอยู่ปริวาสแล้วก็ต้องสังกัดพิเศษอีกก็ต้องลือ้อลบล้างเลยแล้วก็อยู่ใหม่ต้องขอมูลายะปฏิจจสนาชักเข้าหาอาบัตเดิมแล้วก็อยู่ปริวาสใหม่ตามจํานวนของอาบัตที่ปิดไว้มาก หรือว่าอยู่มานัทก็แล้วแต่ขณะที่อยู่ๆแล้วก็ต้องอาบัติใหม่ก็ต้องรู้อทำใหม่ไม่ว่าชาติขาบัตรเดิมหรือว่าข้อที่สิบสี่สงให้ภิกษุผู้ควรแก่มานัทอัพารจริงๆนะต้องให้มานัทแต่ว่าไปให้อพานเลยแต่วัตถุวิบัติ 15, สิบห้าส่งให้ภิกษุผู้ควรอัพานอุปสมบทควรจะให้อพารแต่ว่าไปให้อุปสมบทก็คือแทนที่จะตรวจกรรมวาจาให้อพานไปตรวจกรรมวาจาให้อุปสมบทแทน แล้วว่าคนทากรรมนี้ไม่ฉลาดเลยอันนี้ก็เรียกว่าวัตถุวิบัติแล้วก็ข้อที่สิบหกสงทำอุโบสถในวันที่ไม่ใช่วันอุโบสถก็เรียกว่าเป็นวัตถุวิบัติเหมือนกันสิบเจ็ดสงปร avana ในวันที่ไม่ใช่วันปร a v a นี่ก็ชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุสิบแปดสงให้บันเด อ, อุปสมบทเอาก็ะเทนมาบวชไม่ได้นะเป็นกรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุ สิบเก้าส่งให้บุคคลผู้เป็นเถรยะสังวาสบวชเถรยะสังวาสวหมายถึงว่าเขารั ก, กเพศลักเพศไม่เป็นพระอชีวรมโหกแล้วก็เป็นนับพรรษาไปลงอุโบสดเนี่ยนะถ้าวันหลังรู้แล้วนี่เข้ามาบวชอีกไม่ได้เลยถือว่าเป็นประรชีพไปเลยพวกเถรยะสังวาสแล้วก็ขอ้อที่ยี่สิบส่งให้ผู้ที่เข้ารีดเดียรถถ์ทีสให้บวชให้อุปสมบทอันนี้ก็ ให้วัตถุวิบัติเหมือนกันใช้ไม่ได้ยี่สิบเอ็ดก็ให้ตัดเรยานาอุปสมบทยี่สิบสองให้คนผู้ค่ามารดานอุปสมบทยี่สิบสาให้คนผู้ค่าบิดานอุปสมบทยี่สิบสี่ให้คนผู้ค่าพระอาหารอุปสมบทยี่สิบห้าให้คนปทุสตรายนางพิสุณีอุปสมบทปทุสตรายพิสุณีนี่ก็ประราชิกเหมือนกันนะแล้วก็ยี่สิบหกคนผู้ทําสังฆเพศให้อุปสมบทนี่ก็ไม่เป็น ภาวิสุด้วยแล้วก็วิบัติโดยวัตถุด้วยถ้ารู้นี่ก็ต้องอบัตอุปชาต้องอบบัตยี่สิบเจ็ด 27. ให้คนผู้ทําโลหิตตุ บ, บาทอุปสมบทยี่สิบแปดให้อุปโตพยัญชนุกอุปสมบทยี่สิบเก้าให้ผู้ที่มีอายุย่อนกว่ายี่สิบปีอุปสมบทชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุกรรมย่อมวิบัติโดยวัตถุอย่างนี้แหละอย่างนี้เรียกว่าวิบัติโดยวัตถุแต่วัตถุที่จะทํากรรมนั้นไม่ถูกต้อง กรรมก็เสียใช้ไม่ได้ถามว่ากรรมย่อมวิบัติโดยยติอย่างไรตอบว่ากรรมย่อมวิบัติโดยยติด้วยอาการห้าอย่างก็คืออันที่หนึ่งไม่ระบุวัตถุไม่ระบุวัตถุ ก, ถ ก, ก็คือไม่ระบุเรื่องที่จะทากรรมทํากรรมเรื่องอะไรอันที่สองไม่ระบุสงในกล่าวว่าสงสุนตุเมพันเตสังโฆใช่ไห ข้าใท่านผู้เจริญขอสงยองฟังข้าพเจ้าไม่บอกเลยว่าสงนะนะข้าแต่ท่านผู้เจริญจงฟังข้าพเจ้าอย่างนี้ก็ไม่ระบุสงก็วิบัติไม่ระบุบุคคลบุคคลใดถูกทํากรรมไม่ระบุชื่อบุคคลนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ข้อที่สี่ไม่ระบุยติไม่ได้บุยติพอตรวจเสร็จเราก็ต้องบอกว่าเอตายาติอั น, นี้นี้เป็นยติแต่ไม่กล่าววันนี้ก็กรรมเสีย อันนี้ห้าตั้งยติในภายหลังไปตรวจอนุสาวนากรแล้วไปตั้งยติที่หลังอันนี้ก็กรรมเสียเหมือนกันกรรมย่อมวิบัติโดยยติด้วยอาการห้าอย่างนี้ถามว่ากรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนาอย่างไรตอบว่ากรรมย่อมวิบัติโดยอนุสาวนาด้วยอาการห้าอย่างก็คืออย่างที่หนึ่งไม่ระบุวัตถุเหมือนกันกันนบยติอันนี้สองไม่ระบุสงอันนี้สามไม่ระบุบุคคลเหมือนกันอันนี้สี่ทิ้งอนุสาวนา อันนี้ฮะตรวจในการไม่ควรการตรวจในการไม่ควรนี่ก็ตรวจสลับกันเลยนะตรวจสลับกันกับยติทิ้งอนุสาวนาก็หมายถึงว่าพยัญชนะนั้นไม่ถูกต้องตามเขาเรียกว่าควฉนาบในพยัญ ช, ช, ชนะสิบอย่างพยัญชนะโกศลละสิบอย่างควฉลาดในเพรญชนะสีถินทนิษฐ์ระหุคลุแล้วก็ทีฆะรัศละนิขหิตสัมพันธ์ ว่าวัตถิตะวิมุตอะไรพวก น, นี้ก็ต้ อ, ตองตรวจให้ถูกต้องถามว่ากรรมย่อมวิบัติโดยสีมาอย่างไรตอบว่ากรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วยอาการสิบเอ็ดอย่างคือหนึ่งสมมติสีมาเล็กเกินไปสองสมมติสีมาใหญ่เกินไปสามสมมติสีมามีนิมิตขาดหมายถึงว่านิมิตไม่ต่อกันพอตรวจตั้ลูกที่หนึ่งไปแล้วถึงลูกที่สี่แล้วก็หยุดอย่างนี้เรียกว่าสรวจนิมิตขาด ทักนิมิตเนี่ยค่ะต้องไปทักลูกที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะเชื่อมกันแต่ว่าเอาเงาเป็นนิมิตอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ข้อที่สี่สมมตุติมาเอาเงาเป็นนิมิตข้อที่ห้า 5, สมมุติสมาไม่มีนิมิตเลยอันนี้มีนิมิตแต่ว่าเอาออกไปแล้วล่ะเพราะว่ามันหนักมากเนี่ยเอาหินมาตั้งสี่มุมแต่มันหนักมากเอาออกไปแล้วเดีย๋ยวไว้ต้องเอาลูกเล็กๆมาตั้งใหม่ ข้อที่หกพิสุอยู่ภายนอกสีมาสมมุติสีมาใช้ไม่ได้เหมือนกันวิบัตินะต้องอยู่ภายในสีมาจึงสมมุติสีมาได้เจ็ดสมมุติสีมาในแม่น้ําก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าแม่น้ําก็เป็นสีมาอยู่แล้วเป็นสีมาที่ไม่ต้องผูกก็เรียกว่าอภัตถะสีมาบริเวณน้ํานั้นก็นับแต่พิสุรอบนอกถ้าพิสุไปชั่วลักน้ํำสาดเต็มที่เลยไกลแค่ไหนนะั่นคือบริเวณสีมา เรีกว่าอุทะกูกะเคปะสีมาอุทะกูกกเคปะสีมาสีมาที่วักน้ำสะากบวชก็ได้บวชก็ได้ได้เลยยืนก็ได้ใช่แล้วมันขยายไปตามพิจอถถ้าู่นขยายเข้าไปอีกเหมือนกับสีมาป่าสีมาป่าก็เหมือนกันสีมาป่าที่ไม่มีบ้านก็ไปลงโบสถ์ได้เลยประชวเจ็ดอพันดอนอพันดรนลา รู้สึกจะเท่าไหร่ะอะเจ็ดอพันดอนเกือบร้อยเมตรอพันดอนนะยี่สิบแปดซอกนี่ไงเจ็ดอพันดอนก็ประมาณเกือบร้อยเมตรอ่ะเก้าสิบกว่าเมตรแล้วมันก็ขยายไปตามจํมานวนพระวิสุด้วยโดย เ, เรียกว่าอาพัพตสีมาอภัพตสีมาจะมีสามอย่างก็คือแม่น้ําป่าแล้วก็บ้านหมู่บ้านนี่นะถ้าหมู่บ้านหมู่บ้าน บ, านบริเวณแค่ไหนเนี่ย ก็เป็นสีมาได้เลยก็เรียกว่าคามาสีมาไม่ต้องผูกทากรรมได้เลยแต่ว่าต้องไม่มีพระวิสุทธิ์อยู่ในที่นั้นนะถ้ามีพระวิสุอยู่ในหมู่บ้านนะั้นต้องเรียกมาเข้าหัตถบาสนัยนก็ไม่ใคร่ทำกันหรอมันไม่ปลอดภัยมีมมใช่ไม่ปลอดภัยแต่สมัยก่อนก็ทําได้เมื่อจบมีฤทธิ์ถึงนั้นเนะี่ยแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าจะต้องไปทําบูโบสดที่ไหนที่ไหนใช่ไห ม, มนนี้ก็สมัยนี้ไม่ได้นะก็เลยต้องทําสีมาแคบๆในโบสถ์อย่างเงี้ยนะ แล้วก็ต่อไปแ theory, ไม่น้ํานี่ไม่ต้องสมมติสีมาสมุติสีมาในแม่น้ําก็ใช้ไม่ได้ข้อที่แปดสมมติสีมาในสมุทรก็ไม่เป็นอนสมุติเหมือนกันว่าในสมุทรเหมือนกับแม่น้นํามันแหละทําสีมาได้เลยข้อที่เก้าสมมติสีมาในชาติศาสตรหมายถึงศาสตร์ที่เกิดเองอันนี้เป็นศาสตร์ที่ขุดใช้ไม่ได้ถ้าเป็นศาสตที่เกิดเองเนี่ยนะไปทําสารในน้ําอย่างเงี้ยทำโว้สดได้เลยเป็นสีม า, าน้ําไป สส a, ข้อทีสิบสมุติสีมาค้าบเกี่ยวสีมาด้วยสีมาก็ใช้ไม่ได้สีมาค้าบเกี่ยวกันข้อทีสิบเอ็ดสมุติสีมาทับสีมาเลยแล้วใช้ไม่ได้เหมือนกันสีมาค้ามเกี่ยวเนี่ยค้าบเกี่ยวเข้าไปปุ๊บคือที่ที่ค้าบเกี่ยวกันเนี่ะลงทำสังกก ร, รรมไม่ได้พไปสู่นั่งยี่สิบรูปไม่ได้อย่างนี้เรียวกว่าข้าบเกี่ยวแต่ถ้าเกิดค้าบเกี่ยวเข้าไปแล้วมีบริเวณที่ค้าบเกี่ยวกันลงอุโบสถได้เลยไปสู่ยี่สิบรูปสามารถนั่งในที่นั้นได้ อันนี้เรียกว่าทับสีมามันมากเกินไปถ้าน้อยบริเวณที่ข้ามเกี่ยวกันเนี่ยนะมันพระพิจูยี่สิบรูปนั่งไม่ได้ น, นี่เรียกว่าสี่าข้ามเกี่ยวกันแต่ถ้าเกิดล้ํ า, าก็้าไปมากจนกระทั่งพระพิจูไปนั่งบริเวณนั้นได้เลยยี่สบรูปเป็นสีมาทับสีมาสีมาขนาดเล็กที่สุดคือสีมาที่พิจูยี่สิบรูปนั่งไม่ได้เรียกว่าเล็ก ถ้าไปสุดยี่สิบรูปนั่งไม่ได้นี้เป็นสีมาวิบัติถ้าใหญ่ก็สามยนดสีมาใหญ่ที่สุดกรรมย่อมวิบัติโดยสีมาด้วยอาการสิบเอ็ดอย่างนี้ถามว่ากรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทอย่างไรตอบว่ากรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทด้วยอาการสิบสองอย่างคือกรรมอันตสงจะ ต, ต, ตุวัตจะตุวัตแปลว่าวัรสีพึงทรรมเที่ยงตุทั้งหลายที่เข้ากรรม ครบจำนวนพิสูจ์เหล่านั้นไม่มาไม่นำฉันทาของพิสูจนผู้ควรแก่ฉันทามาพิกูุ์อยู่พร้อมหน้าการคัดขานอันนี้เรียกว่าวิบัติโดยบริษัทก็คือกรรมที่ต้องทำโดยเจตุวะเช่นโลงโบสถสดพิสูจน์มีสี่รูปพอดีแต่ว่าพิสูจน์รูปหนึ่งไม่มาแล้วก็ไม่นำฉันทามาให้ด้วยนะหรือว่าอยู่พร้อมหน้ากันแล้วคัดขานกราไม่เป็นธรรม อันนี้เรียกว่าใช้ไม่ได้แล้วต้องมาพิจารณากันมาสอบสวนกันว่าทำไมจึงคัดค้ า, านมีใครคัดค้ า, านรูปเดียวก็ไม่ได้อะใช้ไม่ได้เลยในกรรมอันสงจตุวะพึงทำทิศสูตตั้งหลายที่ควรแก่กรรมพวกเธอมาแล้วแต่ไม่นำฉันท้าของทิศสุผู้ควรฉันท้ามาทิศสูอยู่พร้อมหน้าการคัดค้านอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันในกรรมอันสงศตุวะ จะพึงตามพิสูจน์ทั้งหลายที่เข้ากรรมมีจํานวนเท่าไร่พวกเธอมาแล้วนําฉันทาของพิสูจนผู้ควรแก่ฉันทะมาด้วยแต่ว่าเป็นผู้อยู่พร้อมหน้ากันแล้วก็คัดขานอากาศขานที่ใช้ไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นกรรมสงจตุวักจตุวักพึงทำต้องใช้สี่รูปเลยนะแต่ว่าควรจะต้องมาสี่รูปแต่ว่าไม่มาก็ใช้ไม่ได้รัว้วมาแล้วไม่นําฉันทาของพิสูจนผู้ควรแก่ฉันทะมาด้วย ก็คือมีพิจูนป่วยอยู่แต่ว่าไม่นํามาด้วยก็กรรมก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนี่อยู่อยู่ในสีมาเดียวกันหมายถึงว่าหมายถึงว่าพิกูนที่ป่วยมาไม่ได้แต่อยู่ในสีมาเดียวกันนะก็ต้องให้ฉันทากับพิกูุรูปหนึ่งมาว่าผมขอมอบฉันท่าให้สงทํากรรมได้เป็นสามาลีสาไทยก็ได้แล้วก็พิกูุผู้ฝากมาไปบอกไอ้สงว่าพิกูนรูปนั้นมาไม่ได้มอบฉันท่ากับผมมาผมนำฉันทาก่อนพิกูุรูปนั้นมาให้กับสงก็ทําสารกรรมได้นะ ถ้าไม่นำมาให้ก็ใช้ไม่ได้กรรมเสียถ้าอยู่ในสีมาเดียวกันแต่ถ้าอยู่นอกสีมาก็ไม่เป็นไรสิสุถึงจะมาประชุมกันหมดนำฉันทาของพิสุผู้มาไม่ได้มาแล้วแต่ว่าอยู่พร้อมหน้ากันคัดคานก็ใช้ไม่ได้นี่เป็นกรรมที่ต้องใช้สงจตุวะคราวนี้กรรมอันถงปัญจะวะัตจะบึงธรรมก็ด้วยอาการสามอย่างนี้เหมือนกันห้ารูปหารูปแต่ว่าห้ารูปมาไม่ครบ มาแล้วก็ไม่นําที่ตุที่ควรกับฉันทะมอบฉันทะมาให้ก็ไม่นําฉันทะมาด้วยหรือว่ามาพร้อมหน้าการนํำฉันทะมานะอยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านมาใช้ไม่ได้อีกแล้วก็กรรมอันสงท้าวัสด์ก็คือสิบรูปจะพึงทําโดยการสามนี้เหมือนกันโดการสามนี้เหมือนกันแล้วก็อันที่สี่กรรมอันสง์วีสติวัคจะพึงทำเรงใช้ยี่สิบรูป พิจูตทั้งหลายผู้ควรแก่กรรมครบจํานวนพิจูตเหล่านั้นยังไม่มาหรือว่าไม่นําฉันท่าของพิจูตผู้ควรแก่ฉันท่ามาหรือว่าอยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ทำเสียบริษัทวิบัติในการอันสองวีตติว่าพึงธทำพิจูตทั้งหลายผู้ควรแกรร่รนน ก, แกรรมครบจํานวนพิจูตเหล่านั้นมาแลา้วแต่ไม่นําฉันท่าของภิจูตผู้ควรแก่ฉันท่ามาอยู่พร้อมหน้ากันคัดค้านอันนี้ก็วิบัติโดยบริษัท ในกรรมอันสงวีสติวัตจะพึงธทำพิสุทั้งหลายผู้ควรแก่กรรมครบจํานวนพิสุเหล่านั้นมาแล้วนำฉันท่าของพิกสุผู้ควรแก่ฉันท่ามาด้วยแต่พิสุผู้อยู่พร้อมหน้าการคัดขานกรรมย่อมวิบัติโดยบริษัทด้วยอาการสิบสองอย่างนี้ก็คือสงสี่ประเภทศจตุวัตรสี่รูปจะพึงธทำปัญจวัตรห้ารูปจะพึงทรชั้นสาวัตสะิตรูปจะพึงทำวีสติวัตรยี่สิตรูปจะพึงธทำ แต่ว่าวิบัติโดยอาการสามอย่างสามอย่างก็คือพิจตุที่จะต้องเข้ากรรมมีจมํานวนเท่าไรไม่มาตามจมํำนวนเท่านั้นถึงมาแล้วพิจตุผู้ไม่มาไม่นําชันท่ากับพิจตุผู้ควรกับฉันทามาด้วยถือว่าอยู่พร้อมหน้ากันคัดทานนี่ก็เรียกว่าวิบัติโดยบริษัทหมดเลยความจริงแล้วสงนี้มีห้ากลุมสงที่เป็นจตุวะปัญจวะทสวตวะวีสติวคแล้วก็ อติเรกะวีสติวัตรเกินยี่สิบเกินยี่สิบไปก็ได้แต่ว่ากรรมที่จะทำให้สุดก็คื อ, คอยี่สิบรูปนี่แหละในกรรมอันสงจตุวะพึงทาเทิกสุปกตะตตะสี่รูปปกตะตต ะ, ตตะหมายถึงพิสูุที่ไม่ถูกสงยกวัตไม่ได้อยู่ปริวาสอะไรพวกนี้นะเทกสุ ป, ปกระตตะสี่รูปผู้เข้ากรรมเรียกว่ากรรมมะปตา ผู้เข้าตามปกติที่เหลือชื่อว่าเป็นผู้ควรฉันทะหมายถึงว่าถ้าสงฆ์จตุวัจะพึงทําเช่นลงโบสดถ้าสี่รูปมาแล้วเนี่นะที่เหลือทั้งหมดเลยกี่รูปก็แล้วแต่ในตีมานั้นเรียกว่าพิสุผู้ควรแก่ฉันทะคือเขาไม่มาก็าได้แต่ว่าต้องให้ฉันทามาแต่สี่รูปนี้ต้องมาสงฆ์ทำกรรมแก่พิสุดใดพิสุนั้นไม่ใช่ ผู้เข้ากรรมทีส่สูนั้นไม่ใช่ผู้เข้ากรรมและไม่ใช่ผู้ควรแก่ชันทะด้วยแต่ชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่กรรมทีส่สุรูปนี้เช่นจะให้ปริวาที่สูจะให้ปริ ว, า, รวาได้จะต้องมีสงสีรูปขึ้นไปที่สูสีรูปขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าที่สูสีรูปมาแล้วทิส่สูที่เหลือถ้าอยู่ในสีมานั้นเรียกว่าผู้ควรแก่ฉันทะ แต่พิสู่ผู้ที่จะขอปริว่านี้ไม่ใช่ผู้เข้ากรรมเพราะว่าเข้ากรรมนี้สี่รูปนี้ผู้เข้ากรรมนี้สี่รูปนี้นะแล้วพิสูจนรูปนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้ควรกับฉันทาด้วยนะขอปริวาเนี่ยนะแต่ว่าเป็นผู้ควรก่กรรมเป็นผู้ควรกักรรมดังนั้นคนเราัพท์กันนะงั้นผู้ควรก่กรรมเนี่ยก็คือคนที่จะต้องทากรรมนั่นเองคนนี้จะต้องทากรรมแต่ว่า คนที่จะมากระทํากรรมให้นั่นนะอันนั้นเรียกว่าผู้เข้ากรรมนอกเหนือนจากนั้นไปสี่รูปอ่ะเป็นผู้เข้ากรรมนอกเหนือนจากนั้นไปเรียกว่าผู้ควรแก่ฉันทะคือจะมาก็ได้มาก็เข้าเลยถ้าไม่มาต้องให้ฉันทะมาในกรรมอันสงปัญจวัคคึงธรรมทิสุ ป, ปกตรตะห้ารูปชื่อว่าเป็นผู้เข้ากรรมคือกรร ม, มปัตา ปกติตะที่เหลือเป็นผู้ควรแก่ชนทะสงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใดภิกษุนั้นไม่ใช่ผู้เข้ากรรมและไม่ใช่ผู้ควรแก่ชนทะด้วยแต่ว่าเป็นผู้ควรแก่กรรมก็คือจะต้องถูกทำกรรมนั่นเองในกรรมอสงฆ์ท้าสะวัสดิ์พึงทำภิกษุปกติตะสิบรูปชื่อว่าเป็นผู้เข้ากรรมคือกรร ม, มปัตตา ปกติตาที่เหลือชื่อว่าเป็นผู้ควรแกร่ฉันทะสงทํากรรมแก่พิสุใด้พิสุนันไม่ใช่ผู้เข้ากรรมและไม่ใช่ผู้ควรแกร่ฉันทะแต่ชื่อว่าเป็นผู้ควรแกร่กรรมก็คือกรรมาระหะในกรรมอันสงวีตติวัคพึงรรทํำทิสุปกตตะยี่สิบรูปชื่อว่าเป็นผู้เข้ากรรมเรียกว่ากรรมมะปตาปกตตะที่เหลือชื่อว่าผู้ควรแกร่ฉันทะเรียกว่าฉันทาระหะฉันดาระหะ สงทํากรรมแก่พิสุนัยพิสุนันไม่ใช่ผู้เข้ากรรมและไม่ใช่ผู้ควรแก่ฉันทะแต่ชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่กรรมกรรมมารหะหะนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมวิบัติหอย่างกรรมวิบัติห้าอย่างส่วนสมบัติก็ตรงข้ามอยู่แล้วห้าอย่างเหมือนกันกรรมมสมบัตินะก็คือวัตถุสมบัติยติสมบัติอนุสาวรนสมบัติสีมาสมบัติแล้วก็บริสัทสมบัติ ถามว่าอปโรกณกกรรมถึงฐานะเท่าไรอปโรกณกกรรมยัติกรรมถึงฐานะเท่าไรยติทุริยกรรมถึงฐานะเท่าไรยติจตุติกรรมถึงฐานะเท่าไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจําแนกว่ากรรมอะไรที่จะต้องใช้อปโรกณกกรรมทํากรรมอะไรที่จะต้องตรวจโดยใช้ยัติกรรมกรรมอะไรต้องใช้ยติธุริยกรรม กรรมอะไรที่จะต้องใช้ยติจ ต, รรตุจติกกรรมการบวชใช้อะไรบวชใช้เพศไหนยติจตุติกรรมการบวชถ้าสมมติสีมาล่ะใช้ยติทุติยกรรมถ้าอัปปโลกนกรรมนี่เวลาแจกผลไม้ัมปาติกรรมอะไรต่างๆเนล่านี้สวดตถาทให้รู้สามครั้งตอบว่าอัปโลกนกกรรมถึงฐานะห้าอย่าง กรรมห้าชนิดใช้อปรโรกนกรรมทำยติกรรมถึงฐานะเก้าอย่างยติธุรยกรรมถึงฐานะเจ็ดอย่างยติจตุรยกรรมถึงฐานะเจ็ดอย่างเหมือนกันถามว่าอปรโรกนกรรมถึงฐานะห้าอย่างเป็นไนตอบว่าโอสารนาก็แปลว่าเรียกเข้ามู่นิจสารนาก็เป็นการขับออกจากมู่แล้วก็พันดุกรรม พันธุกรรมก็หมายถึงว่าโปรงผมต้องอัปโลกนะเวลาที่กุลบุตรเจรบวชเววขาจะปรงผมให้ต้องมีการอัปโลกแล้วก็เพร่มทันลงโทษแต่ถ้าชนะใช่ไหมแล้วก็กรรมลักษณะกรรมลักษณะเป็นค 5, ํารบห้าเดี๋ยวจะมีอธิบายอัปโลกกกรรมนี้ถึงฐานะห้าอย่างนี้ถามว่ายติกรรมถึงฐานะก้าเป็นฉนยัยตอบว่า โอสารนาก็เป็นการเรียกข้างหมูนิสารนาก็ออกจากหมูอุโบสถบุตนี้ก็ใช้ยติกรรมปรวรณาก็ใช้ยติกรรมสมมุติเนี่ยก็การให้การรับการเลื่อนปรวรณ า, าออกไปทั้งกรรมนักสนะเป็นคำรบก้าวยติกรรมนี้ถึงฐานะ9้าอย่างนี้เนี่ยจะมีคำอธิบายถามว่ายาติทุติยกรรมถึงฐานะเจ็ดอย่างเป็นไฉน ถามว่าโอสาราณนานิสาาาัตระนาก็เป็นการเรียกเข้าหมู่กับออกจากหมู่เหมือนกันสมมติการให้การถอนการแสดงการถอนถอนสีมาการสมมติสิมาแล้วก็ทั้งกรรมนักษนะเป็นคำนบเจ็ดยติธุริยกรรมถึงฐานะเจ็ดอย่างนี้ถามว่ายาติเจตุรกรรมถึงฐานะเจ็ดอย่างคืออะไรเป็นไน แต่ว่าโอสัมมาเรียกข้ามูเนตรนาของอจากมูการสมมุติสมมุติเช่นสมมุติให้เป็นผู้ที่สอนทิฏฐุนีอย่างนี้นะการให้นิกกะหานิกกะหานั่คือมูรยายะปฏิกัสนานั่นเองเรียกสกขาบัตรเดิมสมมุติส ม, มนุภาพคือส่วนประต่าห้ามที่ต้องมาสังานิเศตนั่นแหละแล้วก็ทั้งกรรมลักษณะการมลักษณะนี้ก็คือการองสมบิ การบวดใช้ยติจจตุกรรมเป็นคำรบเจ็ดยติจจตุกรรมถึงฐานะเจ็ดอย่างนี้